BOOK 2 <58. S 3> 51การไปทําทุรช่องทัつ買い物ที่ฉันอยากไปห้องสมุท図書館に行きたいですที่ฉันอยากไปร้านขายหนังสือ ที่ฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ที่ฉันอยากยืมหนังสือที่ฉันอยากซื้อหนังสือที่ฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์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 ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเมกานียาอยาดิฉันอยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์ันอยากไปร้านขายขนมปังปั้นยาอยです ดิฉันอยากซืいい้อแว่นตาแมกกาแนลไข่ไตเดสดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักคือด้านมโนตัยาโยไไตเดสดิฉันอยากซื้อขนมปังโรลปั้นตัวปั้นโยไข่ไตเดสดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา แว่นตาอ๊ะอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผักผลไม้และผักอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปังขきたいです